เขาของหนุยก่อนแล้วะะอ <laughs> ของ ห, ห, หนุอยอนดี่าขหน่วยเหรอ ะ, ะก็ลูกลูกเนี่ยก็ยเขาเหมือนกับว่าเขาเขาสบายเกินไปอะคา่ะอาจารย์แตเขาไม่มีป้าหมายชีวิตอะม่มมีป้าหมายชีวิตแล้วก็ เ, เช่นการงาน สนใจที่จะทำเลยค่ะาะพี่ชายหวคน โ, โตนี่นะคะเพราะว่าคนโตเนี่ยเหมือนกับไม่ไม่สไม่ไม่คิดถึงาเองันเขาเขารู้แล้วว่าเขายังไงเขาก็กี่แล้วก็ในขณะที่ อ, อย่างอื่นเขาก็ไม่ได้ ไม่ได้ไม่อะไรอ่ะแค่พื้นฐานอย่างนี้จริงความรับผิชอบทั่ไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ชีวิตประจำวันก็ยังยังไม่เป็นที่พอใจเนี่ย้องขอใครเขาเป็นไม่เป็นที่พอใจขอพ่อนะแม่แล้วปกติคุยกับเขาว่าก็จริงๆก็เหมือนกันจะสนินะคะแต่มีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยเวลาอยู่กับเราเนี่ยเขาหึงน่ะรู้เลยค่ะ เได้เลยว่าเขาถอค่ะถือาอยู่กับพ่อเขาเป็นเป็นค่ะยิ่งพ่อยิ่งกับพ่อเนี่ยคิดว่ามากกว่าแต่เขาเกรงใจพ่อมากกว่าเกรงใจแม่แต่เขารู้สึกว่าเขานี่จะถือพ่อมากเพราะว่าพ่อเนี่คนละคนละคู่เลยอะคนละพ่อเขาพ่อเขาหวังอะไรเขาย็นก็หวังเหรอคะก็อย่างน้อยก็ไม่ได้หวังที่ต้องมาอะไรมากมายแต่น้อยพื้นฐคะ เช่นารับผิดชอบทั่วไปในในอะไรล่ะที่ตองเอาโต๊ะเล็กหมเจ้าค่ะอีกไหมเจ้าค่ะอย่างเช่นยังไงหน้าที่หน้าที่พื้นฐานอย่างเช่นหน้าที่พื้นฐานต้องถามอยู่ก่อนว่าหน้าที่หมายถึงว่าการน ทำหน้าที่พื้นฐานคือความรับผิดชอบที่จะดูแลคือเขาไม่เอาอะไรครอบครัวเลยอะคะอ่ะดูแลองครอบครัวดูแลบ้านดูแลมีความรู้รสึกว่าเขาเนี่ยเขาจะมาใช้เวลากอบครอบครัวตเมื่อเขาต้องการอจเาเช่ต้องการอะไอย่างเช่นออกกงินเดือนออกเัาเงินอองเดือนออกงงออก็เจ อ, อ, อเนหน้าได้ก็ได้เงินเดือนเฉลย จ, จปอย่างเงี้ยตั้งใจตั้งใจงเินเดือนก็ ตอนนี้ก no ็จ่ายแบบว่าไม่เยอะนะคะเพราะว่าให้ให้เป็นรายแบบว่าให้เป็นให้เป็นเดือนนะคะแล้วก็ไม่เยอะแบบกับให้ซื้อของที่อยากจะได้ประจํำวันต่อเดือนแต่สิ่งที่เขาจะได้คือเงินเดือนละเขาซึ่ง้องต้องทํางานแต่ทํางานเนี่ยต้ไปทําที่กิจการครอบครัวครอบครัวที่มีกิจการครอบครัวที่เขาทำกิจการครอบครัวก็ใหม่ไปตรงเนีละ ไปซ้ายกับเร็วอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งมันก็ทำให้รวนของระคือเขาก็เราก็เราก็ปรับด้วยการตัดเงินเดือนตามเหมือนพนักงานมาซ้ายก็ตัดเงินเดือนวันอะไรเงี้ยเขาไม่คือคือเขาไม่ได้เขากม่ป็นไาเขาไม่มีปัญหาเขาเป็นเขาเขาก็ใช้ชีวิตน้อยลงได้เขาไม่มีปัญหา ที่ไม่มีครับเขาก็ไม่เหมาอนกยะบอกเาว่าเออถ้าหมูได้เป็นอย่างนี้ี่คอย่างนี้ก็ก็ต้องปรับสภาพตัวเองให้เหมาะกับรายได้ที่จะได้ใช่คะเดี๋ยวมาใช้เหมือไปรเด็ก็ไม่มีปัญหาเขาก็ปรับเขาอยู่อย่างนี้ได้ถ้ฟรีขอเขาไม่มีปัญหากันกไได้เออโอเคมีน้อยเขาก็ใช้น้อยเออ ปรับเขาได้มีความที่เราจะกระตุ้นที่เขามีความพยายาเขาก็ไม่เาก็โอเคเาก็ปรับเากไม่เป็าก็ใช้ใาเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะแบบว่าชอบกีฬาจักรยานวิ่งเนี่ย เ, า, เ า, บบบนนาก็จะคุ้มกับ่นี้จะตื่นเช้าตสสก็ปทได้ ยันเาควาใช่ค่ะทุกวันค่ะรักสุขภาพค่ะสุขภาพดีไม่ไม่ไม่กินเหล้าไม่สกินไม่เหล้าไม่สจริงๆก็น่าคูมิันคนออกมีออกมีจะเอาอะไรอีกแค่เด็กสมัยนี้ไม่กินเหล้าสูขบุรีไม่เที่ยวกลางคืนน่าจะแฮปปี้ตอนนี้นะคะคุณสามีค่ะพ่อค่ะพ่อเขาอะ อก่อนนี้ก็กุ้มกล้มเหมือนกันนะแล้วก็แบบว่า อ, อย่างเขาก็บอกว่าเอ่อเขาไม่อยากกลุ้มแม่งก็บอกเขาก็โอเคก็ในพูดในแง่ถึงว่าหนุ่ยจะไปกลุ้มทําไมเขาก็คิดเขาก็คิดของเขาว่าตลอดชีวิตเขาไม่ทำอะไรเลยอะ่ะถ้าเขานะเขาอยู่ได้เขาก็าคิดแล้วเขาอยู่ได้ก็คุยกับเขาอย่างนั้น เขาพูดถึงเขาเขาก็ใช้น้อยได้เขาไม่มาถึงตัวลูกเขาพูดอย่างนั้นเลยอย่างนีค่ะเขาก็คิดว่าเนี่ยเขาก็อยู่ได้ก็พอก็พอเขาไม่ต้องหาอะไรมากแล้วเขาก็เขาก็ใช้ชีวิตเขาต้องมีน้อยเขาก็ใช้น้อยก็มีได้เขาปรับชีวิตเขาปรับตัวเขาได้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เขาเจ้าค่ะปัญหาอยู่ที่หนุ่ย ว่าใช่ไหมว่าหนุ่ยจะทำความเข้าใจตรงนี้และตรงนี้มีใช่ตรงนี้ยางใช่ใช่ค่ะปัญหามันไม่ใช่คือเขคงไม่เปลี่ยนนะคะแต่เราเนี้มีความรู้สึกว่าก็อมันอย่างน้อยอยากให้เขาเปลใช่คือคือทั้งหมดเหล่านี้ถ้าที่ฟังฟังประเด็นมันก็อยู่ตรงที่ว่าความที่เราอยากอยากอยากจะให้เขาเป็นอยากจะให้เขาเป็นอยากใจที่เราต้องการ ทีนี้ความอยากมันจะมีสองกรณีอยากแบบอยากแบบตัณหาก็คือเราอยากจะให้เขาเป็นอยากจะให้เขาทำํำไอ้ความอยากของเราเนี่ยมันไปไปสวนกระแสคือคือหนึ่งความจริงมันเป็นอย่างที่เราเห็นอย่างที่ยอมหนุยว่ามาทั้งหมดเนี่ยเขาเป็นแบบนั้นแหละตอนจริงเขาเป็นแบบนี้เขาก็เป็นคนที่ ไม่ได้กระตือรือร้อนไม่อยากจะไปทํางานทุ่มเททํางานทั้งหลายเหล่าเนี้เราไม่ได้เจาะข้อมูลเขาว่าจริงๆเขาเป็นเขาคิดยังไงในใจของเขาแค่นั้นเองแต่ที่เขาเป็นก็อย่างที่นั้นน่ยมองเห็นได้ชัดเลยว่าเขาไม่เป็นอย่างที่ <S 2> <S 2> เขาไม่อยากเป็นเหมือนพ่อไม่อยากเป็นเหมือนแม่ไม่อยากเป็นเหมือนปู่ตายา่ายที่เป็นวันๆหนึ่งก็ทุ่มให้กับงานทุ่มให้กับงานแล้วก็ไปเครียดไปกลุ้มไปทุกหัวตกกังวลเนี่ยเขาไม่อยากเป็นแบบนั้น นั้นเด็กเขาเห็นมาตลอดเขาเห็นวิถีชีวิตที่เราใช้เราเป็นอยู่ตลอดเขาก็มองพวกเราว่าทําไมไม่มีความสุขเลยทําไมต้องไปทุ่มเทอะไรขนาดนั้นต้องไปจริงจังอะไรขนาดนั้นต้องไปอะไรต่างๆ น, น, นั่นแหละวิถีวิธีการความคิดของเขาเมื่อเขามีกระบวนการความคิดอย่างนั้นและยิ่วิชาการที่เขาไปเรียนมาก็เรียนเกี่ยวกับในเรื่องตํานองแบบนี้ด้วยนะ เขาก็เลยมาอยู่กับความรู้สึกของเขาความเชื่อของเขาทัศนความเห็นของเขาทัศนคติของเขาอย่างที่เขาเป็นนั่นก็ต้องดูก่อนพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมาสภาพจิตใจที่ก็เป็นอย่างนั้นทัศนคความเห็นของเขาเนี่ยสามด้านเนี่ยเขาเป็นอย่างที่ยอมหนุ่ยเห็นนั่นอันนี้คือความจริงมีความจริงของเขาก่อนนะเนี่ยนี่ต้องรู้ความจริงก่อนอาการต่อมาก็คือความต้องการของพ่อและแม่เนี่ความต้องการของพ่อและแม่เนี่ยไม่ต้องการให้เขาเป็นอย่างนั้น แล้วก็คิดวงแต่งเราไปว่าถ้าเราไม่อยู่ถ้าเป็นอย่างเนี้ยเขาจะลําบากยังไงเขาจะดําเนินกิจการเป็นเป็นได้ดีได้ดียังไงเพราะใจเขาไม่ได้รักกิจการที่เราทําให้นี้เลยนี่เป็ต้นเห็นไหมพอเราอยากอย่างนั้นเราต้องการอย่างนั้นแล้วก็พยายามแก้พยายามบอกหรือแม้ตัดเยน็นเย็นอย่างที่ว่ามาทั้งหมดอลไรเนี้ยเขาก็ไม่เป็นเขาไม่เป็นไปนอย่างที่ใจเราต้องการก็เลยขาก็มีทุกข์ แต่คนที่ทุกกับที่เราเนี่เราจะเห็นได้ชัดว่าหน Ins, ึ่งกระแสของความอยากกับกระแสของความจริงมันเป็นปะทะกันกระแสความอยากในใจของเราไปกระทักปะทะกระแสกระแสของความจริงคือเขาเป็นแบบนั <t ower> <t ower> ้นกระแสความจริงมันชนะกระแสความอยากมันแพ้ไอความอยากมันแพ้มันก็กดดันมันก็บีบคั้นสภาพจิตใจเราก็เป็นทุกข์ยิ่งเราเพิ่มความอยากมากเท่าไหร่ความต้องการมากเท่าไหร่ความทุกข์ก็จะเพิ่มปริมาณมากเท่านั้น เห็นไหมสองกระแสมันก็เหมือนเราต้องการให้ให้อากาศมันเย็นแต่อากาศมันร้อนเราต้องการให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นแต่เขาก็เป็นเขาอยู่อย่างนี้เนี่ยสภาพของความต้องกรกับสภาพของความอยากมันปะทะกันความอยากแพ้ความอยากใจที่เต็มไปด้วยความอยากความต้องการมันก็เป็นทุกข์อันนี้นี่คืออยากอยากที้เป็นไปกับตัญหาทีนี้วิธีแก้หนึ่งถอดความอยากระวังไว้ ถอดความต้องการระวังไว้แล้วก็ใช้ปัญญาข้อมูลความรู้ไปูไปมองความจริงที่เขาเป็นมองให้ครบวงจรว่าที่เขาเป็นเนี่ยนั่นคือปัญหาเมื่อมองเห็นทุกขั้นตอนว่าอาดีตเขาเป็นอย่างไรสาวอาดีตตั้งแต่อดีตตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆเกนี่ยเขาเป็นอย่างไรและเราเคยให้ข้อมูลเขาอย่างไรแนะนำเขาอย่างไรคร่ำสอนเขาอย่างไร เขาอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างไรกับเราก่อน2ไปอยู่ที่โรงเรียนเขาไปคบใครเข้าไปได้สิ่งแวดล้อมอย่างไรไม่ว่าจะเป็นครูเป็นเพื่อนหรือสิ่งที่เขาไปเสพคุณทั้งหลายเหล่านี้เราก็จะเริ่มเห็นแล้วถ้าแกะมุมตรงนี้ได้เราจะรู้ปัญหาในอดีตของเขาและปัญหาในปัจจุบันที่เขาเป็นอยู่ตลอดถึงปัญหาที่จะเป็นในอนาคตถ้าเขาเป็นลักษณะ น, นี้มันก็มองออกหมดมองทั้งอดีตปัญหาอดีตปัญหาปัจจุบันปัญหาอนาคต ปัญหาภายในปัญหาภายนอกปัญหาที่หยาบปัญหาที่ละเอียดปัญหาใกล้และปัญหาไกลทั้งหลายเหล่านี้ถ้าเราไปเห็นปัญหาทุกขั้นตอนอย่างนี้เรารู้ว่นี่คือปัญหาพอรู้ว่าปัญหาเหล่านี้มันมาจากอะไรถ้ายิ่งไปรู้ปัญหามาจากอะไรนี่แปลว่าปัญญาเริ่มทํางานแล้วเริ่มไปสาหหาเหตุว่าอ๋อที่เขาได้กระบวนการความคิดได้ความเชื่อได้ทัศนคติอย่างนี้แล้วก็มีพฤติกรรมอย่างนี้มีสภาพจิตใจอย่างนี้มีทัศนคความเขียนแบบนี้เพราะเขาไปรับข้อมูลแบบนี้มาอันนี้แปลว่าเราเห็น ทีนี้ถ้าเราจะวางเป้าหมายสมมติปัญญากเกิดจริงๆฟังจุดหมายว่าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้โดยจะให้เขาเนี่ยลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมามีฉันท้ามีความ ก, ากล้าหามีความอาถรรพ์ขึ้นมามีความกระตือรือร้อนขึ้นมานั่นคือจุดหมายจุดหมายที่จะวางตรงจุดหมายตรงนี้เห็นไหมอันนั้นคือวางเป้าหมายเขาไว้จุดหมายว่าเขาควรเขาควรจะรู้ถึงอย่างนั้นเขาควรจะเป็นอย่างนั้นถ้าวางเป้าหมายต่อมาก็คือวิธีการเห็นไหมว่า ไอ้สวิธีเนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรแต่เพียงให้รู้อันแรกก็คือรู้ปัญหาทุกขั้นตอนต้องต้องสืบค้นปัญหาให้ชัดจะปัญหาจากเพื่อนเขาจะตัวเขาอะไรก็แล้วแต่ต้องรู้รู้รู้ปัญหาสองไอ้ตัวเหตุของปัญหาที่เขาเป็นเนี่ยก็ต้องไปรู้ทุกขั้นตอนเพื่อเราจะได้แก้ไขได้นั้นเป็นต้นแต่ไปรู้ก่อนเรายังไม่ต้องไปทําอะไรประการต่อมาวางจิตหมายว่าเขาควรจะเป็นได้แค่ไหนอย่างไรอันนี้หมายถึงปัญญาทํางานนะ ข้อที่สก็คือวิธีการที่เราจะลงมือภาคปฏิบัติการลงมือทันงมือาว่าเราจะเริ่มต้นอย่างไรอย่างอุบายวิธีที่เราทำไปก็เป็นแค่นหนึ่งวิธีเช่นตัดเดือนเดือนเนี่ยันอาจจะไม่เวิร์คสาหรับเขาแต่วิธีมันไม่ใช่มีแค่นั้นมันมีอีกเยอะมากถ้าเราเรารู้รู้ปัญหาของเขาจริงๆเ่ยวิธีมันมีมากมายเหลือเกินประเด็นคือ อันนี้อมาอาจจะนํานํานําวิธีการเพียงเพียงอาจจะนําเสนอเพียงบางสิ่งบางประการส่วนรายละเอียดจริงๆเนะี่ยมาไม่เคยเห็นเขาไงถ้ามาได้เคยเห็นเขาสักครั้งได้ได้อยู่กับเขาเนี่ยมาก็จะมองออกใช่ไหมอันนี้ก็ฟังอยากโยมพูดจบเนี่ยมาก็วิธีการสมมุติว่าการคุยกับเขาในฐานะเแี่ก็ลูกคุยกันบอกว่าลูกสมมตุติที่จริงเนี่ยลูกจะเป็นอย่างไรแม่ก็เคารพ การตัดสินใจของลูกลูกจะเป็นอย่างที่เป็นอย่างนี้แต่ก่อนแม่ทุกนะเหตุที่ทุกเนี่ยเพราะแม่มีความต้องการอยากให้ลูกเป็นอย่างนู้นอย่างนี้แล้วที่ผ่านมาแม่ก็เป็นแบบนี้ตลอดแม่อยากให้ลูกเป็นอย่างนุ้นเป็นอย่างนี้หาวิธีการตลอดอยากจะให้เป็นแม่ก็มาคิดแล้วว่าจริงๆเนี่ยแม่ก็เป็นอย่างที่แม่ปรารถนาเหมือนก่อนตอนเนี่ยตอนแม่เป็นลูก แม่ก็ไม่ได้ทําอย่างที่แม่ต้องการหรืออย่างคุณแม่ของโยมหนุ่ยเองอยากให้โยมหนุยเป็นอีกตัง้งเยอะแยะแต่โยมหนุ่ยก็ไม่เคยเป็นอย่างที่แม่อยากให้เป็นหรือบางครั้งกับพ่อโด้วยซ้ำไปก็มีตั้งหลายสิ่งหลายอย่างที่พ่ออยากให้โยมหนุยเป็นแต่โยมหนุยก็ไม่เคยทําทําทําได้อย่างที่พ่อต้องการเลยมันก็มีตั้งเงยอะแยะอาจจะเป็นบางส่วนบางประการเท่านั้นเองเออก็ต้องมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย การที่เราเอาความอยากความต้องการไปอยากให้ใครเป็นอย่างนู้นอย่างนี้มันเป็นความทุกข์มากเหมือนแม่แบกความทุกข์แบกความรู้สึกที่ไม่สบายใจมาตลอดก็บอกเขา ต, งตรงๆเลยเอาละต่อไปเนี่ยแม่จะไม่เอาความต้องการของแม่ไปยัดเยียดเพื่อให้อยากให้ลูกเป็นอย่างที่ต้องการแต่ลูกอยากจะเป็นอย่างไรอันนี้อยู่ที่ ดุลยพิธีอยูย่ทัศนคติมุมมองหรือความเชื่อของลูกแต่แม่เนี่ยก็มีความคิดที่ปรารถนาให้ลูกเป็นนะแต่แม่ไม่มีศักยภาพหรือไม่อาจที่จะไปไปเปลี่ยนความคิดของลูกได้เพราะความคิดของลูกมันเป็นนามธรรมา มันไม่สามารถมาจับเอาเป็นเนื้อเป็นตัวแ ล, ล้วก็มาเปลี่ยนมาเปลี่ยนหรือไม่สามารถเข้าไปรู้กระบวนการความคิดของลูกได้ทุกระบบทุกขั้นตอนได้อันนั้นความสามารถของแม่ไม่ถึงจริงๆว่าแม่ไม่รู้แต่แม่ก็จะทําหน้าที่ขึนความเป็นแม่หน้าที่ข้นความเป็นแม่นแต่ก่อนแม่อาจจะไม่รู้หน้าที่ขึ้นความเป็นแม่ที่ควรทําต่อลูกเนี่ย แยกแยะให้ลูกก็ได้รู้ว่าอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความไม่ดีอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรเป็นสิ่งที่ควรทำอะไรไม่ควรทำอันนี้มันหน้าที่ของแม่ลูกนีแม่มีหน้าที่บอกลูกจะทาก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ถ้าแม่ไม่บอกเนี่ยแปลว่าแม่ขาดหลักผิดหน้าที่เหมือนแม่ต้องมีหน้าที่บอกว่าเนี่ย ทางนี้ควรเดินทางนี้ไม่ควรเดินทางนี้ดีทางนี้ไม่ดีเ ด, <adas> เดินทางนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นเดินทางนี้อะไรจะเกิดขึ้นแม่ต้องบอกแต่แม่จะบอกในฐานะที่ความแม่ที่พึงบอกถ้าแม่ไม่บอกตรงนี้แปลว่าแม่บกพ่องต่อหน้าทแต่เมื่อบอกแล้วแม่จะไม่ไปใช้ความอยากไปต้องการว่าลูกต้องเป็นอย่างนี้นะถ้าไม่เป็นแม่จะทุกข์แม่จะเครียดแม่จะกุ้มแม่จะถอนความรู้สึกตรงนั้นไว แม่จะมาชื่นใจที่ว่าตนเองได้บอกที่ผ่านมาแม่อาจจะแยก้รายละเอียดไม่คัดเรื่องความดีเป็นอย่างไรความชั่วเป็นอย่างไรไงกุศลเป็นยังไงอกุศลเป็นยังไงเนี่ยเมื่อความชั่วทําไปแล้วมันให้ผลให้ความเดือดร้อนทางด้านจิตใจยังไงบุคลิกภาพเสียหายยังไงเสื่อมลาบเสื่อมยศสินทาสารเสด็จเป็นต้นเหล่านี้มันจะประสบความเจ็บปวดในชีวิตผิดหวังกระทบต่อพ่ อ, พอแม่ปู่ตายายใหไง แต่ตอนเนี้ยแม่จะบอกแม่จะบอกให้ฟังจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่แม่ควรบอกก็คือหน้าที่ที่ลูกหรือว่าสิ่งที่ลูกควรทาก็คือหนึ่งอัอบไยามุกเนี่ยลูกลูกไม่ติดอันนี้ถือว่าเป็นเป็นบุญแม่ลูกไม่ได้ทําเที่ยวกลางคืนเที่ยวการละเล่นเล่นการพนัน เเนียลูกตรงนี้โอเคเลยนะครบคนชั่วเป็นมิตรเออลูกก็ไม่ทำเนี่ยห้าข้อเนี่ยโอเคนะแต่ลูกเสียอยู่ข้อเกียร์ทานททำการงานคือลูกไม่ขยันไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ขนขวายไม่กระตือรือร้นที่จริงแล้วเนี่ยการขยันหมั่นเพียรเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคน การทำงานเนี่ยการขยันการบุกฝ่าการเชื่อมัน่นการฝึกฝนทั้งพฤติกรรมทั้งจิตใจทั้งทัศนคความเห็นทั้ปัญญาเนี่ยมนุษย์ต้องฝึกจริงๆแล้วเนี่ยแต่ก่อนแม่ก็ไม่รู้แม่ทํางานจุดหมายอยู่ที่เงิน อ, อยู่ที่เจตยศที่เสียงตั้งเป็นตัวจุดหมายหลักแต่จริงๆแล้วเนี่ยในหลักของความเป็นจริงแล้วเนี่ยการที่มนุษย์ต้อง แกล้าๆต้องขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านาำงนานเพื่อต้องการฝึกตนเองฝึกให้ตนเองเนี่ยให้เกิดความเชื่อมัน่นให้เกิดความกล้าๆฝึกให้มีสติฝึกให้มีสมาธิฝึกให้มีปัญญาไอ้ตัวเนี้ยตัวความเชื่อมั่นในศักยภาพในคุณความดีความขยันหมั่นเพียรกล้าๆอาิษฐานความเป็นผู้มีสติกำกับอยู่กับตัวไม่ฟัน่นเฟือนไม่เลือนหลง การมีสมาธิตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านการมีปัญญารู้และเข้าใจไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกธรรมะการที่มนุษย์เกิดมาเนี่ยที่จะต้องพัฒนาทั้งพฤติกรรมทั้งจิตใจและปรรัญญาเพื่อจะให้เข้าถึงตรงนี้ mm hmm. เข้าถึงไอ้ตัวธรรมะไอ้ทอธรรมทอทหารเพื่อให้เข้าถึงธรง ร, รมะทอทงทอรอรอมมาเนี่ยธรรมะเดี๋ยวนี้คือความจริงแท้ คือความดีงามคือความ perse ด เ, เนี่ยทำทอทหารตัวเนี้ก็ควรฝึกหรืออยาก จ, จะเป็นทำทำทอทหารมอมา้ามอ ม, ามาอ่ายธรรมะโดยฝึกฝึกทั้งพฤติกรรมฝึกทั้ง จ, จิตใจฝึกทั้งปัญญาเพื่อเข้าถึงธรรมะทอธงเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันต้องฝึกเข้าถึงตรงนี้ข้อเนี้แม่ไม่ได้บอกแต่แต่ตอนเนี้แม่มาศึกษาเรียนรู้ไปแล้วเออไอตรงนี้มันสําคัญ อันนี้แม่ต้องบอกแต่ลูกจะทําหรือไม่ไม่อยู่ที่ลูกอันนี้คือมันเป็นเรื่องของความดีงามธรรมะมนุษย์เนี่ยคาว่าฝึกเนี่ยฝึกฝนหรือพัฒนานี่ยมันคำเดียวกันมันมาจากทอทหารหมอไม่หันหมองม้ามองมอ้าสองตัวมองมอ้าสองตั ว, ตวธรรมะธรรมะศาสต์นี้แปลว่าฝึกแปลว่าฝึกฝึกทั้งพฤติกรรมที่ไม่ พฤติกรรมพฤติกรรมที่ไม่ ก, กล้าไม่อาจานก็ฝึกให้มีพฤติกรรมที่ ก, กลา้าอาจานพฤติกรรมที่ไม่ดีก็ฝึกให้มาทําในสิ่งที่ดีจิตใจที่อ่อนแอต้องฝึกให้เข้มแข็งให้เชื่อมั่นเหยียดค้านก็ฝึกให้มีความ ก, วกลา้าหลงลืมสติฝึกฝึกให้มีสติฟุ้งซ่านก็ฝึกให้มีสมาธิไม่รู้ไม่เข้าใจก็ฝึกให้มีความเข้าใจฝึกธรรมะ พอทหารให้เข้าถึงธรรมะทอทองคือความจริงแท้ความดีงามความประเสริฐความเลิศ อ, อันนี้ลูกต้องทำมันเป็นมันเป็นหน้าที่มนุษย์เนี่ยจะประเสริฐได้ด้วยการฝึกด้วยการฝึกอันนี้เป็นกําลังใจที่พุทธเจ้าบอกไว้แต่คําว่าต้องฝึกนี่เป็นหน้าที่นไต้องฝึกนี่เป็นหน้าที่ ส่วนมนุษย์เป็นศาสต์ที่ฝึกได้ไม่เชื่อมัน่นฝึกให้มีความเชื่อมัน่นเกียดค้านฝึกให้ขยันไม่มีสติฝึกให้มีสติฟุ้งซ่านฝึกให้มีสมาธิไม่มีปัญญาฝึกให้มีปัญญา <c oughs> ไม่อดทนฝึกให้มีความอมดทนโกรธฝึกให้มีเมตตาคิดเบียดเบียนคนอื่นแต่ฝึกให้มีการุณาลิสยาคนอื่นฝึกให้มีมุทิตา ไปถือบุคคลเป็นใหญ่ให้ถือธรรมะเป็นใหญ่มันฝึกได้หมดเนี่มันมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ฝึกได้นี่เป็นกําลังใจที่พระเจ้าให้ไว้เนีอันนี้เป็นเป็นกำลังใจว่าเออจริงๆเราไม่ใช่เป็นสัตว์ที่ฝึกไม่ได้เราฝึกได้พระเจ้าบอกฝึกได้ขนาดว่าบุคคลที่บวชเข้ามาบุคคลที่บำเพ็ญบารมีจากมนุษย์ธรรมดาฝึกที่เป็นพุทธเจ้ายังได้เลยฝึกให้เป็นข้อประเจกพุทธเจ้าก็ได้ฝึกให้เป็นพระหลังศาสาวกก็ได้หรือ คนที่ประสบความสำเร็จในทางโลกนะจากคนที่ไม่ได้เรื่องเดียแล้วฝึกให้เป็นคนผู้บริหารระดับสูงเป็นต้นก็ได้ฝึกให้จบด็อกเตอร์มันฝึกได้หมดเนีนฝึกได้อันนั้นเป็นกำลังใจแต่ต้องฝึกนี่เป็นหน้าที่และแม่ยังให้ให้วิธีการก็แม่ต้องบอกลูกอย่างนี้อันนี้เป็นหน้าที่ของแม่นะถ้าไม่บอกแปลว่าแม่ไม่ทำหน้าที่แต่เมื่อบอกแล้วแปลว่าแม่จบหน้าที่จตลูกจะทา ได้ลูกจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจลูกจะไปฝึกรรมนั้นหรือไม่แม่ก็จะเคารพการตัดสินใจของลูกแต่ถ้าแม่ไม่ได้บอกแปลว่าแม่บกพร่องต่อหน้าที่แม่ชมลูกเนะี่ยไม่ไม่ไม่เล่นการพนันไม่คบคนชู้ไม่เที่ยวกลางคืนไม่ดื่ม น, น้ําเมาเนะี่ยแล้วก็ แม่ชมลูกหลายเรื่องแต่แม่ติงลูกเรื่องเกียรติค้าทําการงานมันก็เป็นความเสือ่อมมันก็เป็นอบายมุกมันก็เป็นปากทางความเสือ่อมความเสียหายกันแต่เห็นไหมแม่ชมลูกห้าอย่างแต่ตําหนิหนึ่งอย่างแม่ไม่ใช่ติเหลือทั้งโกรนะไอ้ส่วนที่ดีโอเคชมแล้วอย่างอื่นยมหน่วยสามารถจะดูที่เขาดีๆก็ชมได้หมด แต่อันนี้ไ อ, นนอนน้สิ่งที่ชมก็นนะ ก, ก็ชมสิ่งที่ควรตําหนิต้องตำหนิสิ่งที่ชมหนูก็พัฒนามันยิ่งขึ้นไปไอ้สิ่งที่ถูกตําหนิหนูต้องแก้ไขอันนี้มันหน้าที่ของแม่หนึ่งก็คือว่าชี้ว่าอะไรมันผิดสองชี้ว่าอะไรมันถูกอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรกุศลอะไรกุศลสอง ให้เรียนศิละปะวิทยาการนี่แม่ทำแม่ส่งเสริมพยายามให้ลูกเรียนแต่แม่มิแม่บกพ้องอยู่ข้องให้เรียนศิละปะวิทยาเนี่ยจริงๆแล้วแม่ควรให้ลูกเนี่ยรู้หลายๆลาสารหน้าที่ของแม่แต่แม่ไปไม่ตอนนั้นแม่ไม่เข้าใจมนุษย์เนี่ยมันต้องรู้หลายสาสารในโลกใบนี้วิทยาศาสตร์มันก็ต้องรู้ ถึงแม้ประวัติศาสตร์มันต้องรู้นิติศาสตร์มันต้องรู้เพราะชีวิตมันต้องอยู่กับกฎหมาเองใช่ไหมสังค ม, าา ม, งมศษษาสาตร์มันก็ต้องรู้แม้แต่เศรษฐศาสตร์มันก็ต้องรู้แม้แต่ด้านของบัญชีด้านอะไรต้องรู้ทั้งหรือที่วิชาการที่หนูเรียนเนี่ยก็ต้องรู้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องรู้หลายๆศาสตร์เพราะชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันสามารถเรียนได้หลายศาสตร์ มันจะรู้เพียงศาสตร์เดียวไม่ได้แต่ว่าอะไรที่จะรู้เป็นวิชาหลักวิชารองนั้นก็ว่าไปแต่ไม่ใช่มันไม่รู้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยแม่ให้ลูกเรียนศิลปวิทยาโดยการแล้วแต่ลูกจะเรียนอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้แม่ก็ต้องมาบอกใหม่เพราะชีวิตคือการศึกษามันไม่จบตราบใดยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่หนูต้องศึกษาให้รู้หลายๆศาสตร์ เพราะมันต้องเกี่ยวข้องเยอะมากคอร์สนี้เป็นอะไรวะจ๊ะตอนนี้เด็กๆลูกหลานก็จบแล้วนะคะอาจารย์ก็ก็มีการเรียนกันเยอะในในในทั้งลูกบ้านญาติๆกันเนี้ยรวมแล้วก็ให้เรียนวิชาหนึ่งวิชานี้แต่ส่งไปเรียนข้อร์อสทุนะครนเละทุกคนก็เรียนหม ด, ดยกเว้นลูกชายนะคะไม่เรียนบอกเขามีความรู้คอลแล้ว เขาบอกเขารู้พอแล้วก็เขาจะเป็นก็เลยถ้าอย่างนี้เราก็บอกว่าแม่ไม่ได้บกพ้องคนแต่ลูกไม่ทําหน้าที่แต่แม่ทําหน้าที่ของแม่ตอนนั้นแม่เครียดแต่ตอนนี้แม่ไม่เครียดแม่จะสบายใจเพราะแม่ได้ได้ไดทําหน้าที่ของแม่หนึ่งให้ซื้อนักเรียนศิลปะวิทยานะหนึ่งบอกสิ่งที่ไม่ดีสองบอกสิ่งที่ดีสาไม่เรียนศิลปาวิทยาว่าการต่อมาคือว่า หน้าที่ของแม่กนะ็มมอบทรัพย์ให้ในเวลาอันควรอันนี้ต่อไปก็ต้องเป็นหน้าที่ของแม่ที่ต้องทำหน้าที่ของแม่ที่จึงต้องมีอยู่แต่คำว่าเวลาอันควรเนี่ยแม่ต้องดูนะไอ้ตรงนี้ถ้าเวลาควรลูกไม่เหมาะที่จะรับ หรือว่าลูกไม่ควรที่จะดูอะไรเนี่ยแม่ก็จะพิจารณาพ่อก็จะพิจารณาเพราะว่าควรในที่เนี้ยถ้ารู้ว่าให้ไปแล้วไม่สามารถที่จะทับซับให้มันเพิ่มพูดได้เขาบอกว่าอ่างเก็บน้ําอ่างเก็บน้ำํำมันมีทางเข้าไหลาทางเข้าของน้ําไหลไหลเข้าสี่ทางออกสี่ทาง ในใออกสี่ทางเนี่ยยกตัวอย่างเช่น เ, ออเล่นการพานันคบคนช่วตลอดถึงเที่ยวกันทีแล้วก็มีอยู่ข้อนี่เกียรติค้านมันก็เป็นทางไหลออกของของน้ําคนบังแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าเราปิดปิดทางไหลเข้าสี่ทางเปิดสี่สี่ทาง น้ำในแล้วฝนมันไม่ตกต้องไม่ดูการ น, น้ำในสาบ ม, มั น, นก็หมดหลักการบริหารทรัพย์ที่พระเจ้าบอกไว้หนึ่งถ้าคุณประมาทสองถ้าคุณเกียดค้านสองถ้าคุณติดอใบมุกคือติดผู้หญิงเที่ยวกลางคืนทั้งหลายมันเป็นทางไหลออกแล้วณนละไม่ไม่เปิดทางไหลเข้าของน้นแล้วภาวะเศรษฐกิจนะ่ยคือเสียคือเขาเรียกผลไม่ตกต้องดูาดการภาวะของเศรษฐกิจมันผันผวนตลอดเวลา กรณีแบบนี้แม่ก็จะชี่ยให้หนูดูว่าถึงแม่ตายไปแล้วมันก็วิวิธีการก็ไม่เองนะหนึ่งก็เปิดทางไหลเข้าแล้วก็ปิดทางไหล น, น้ำมันก็จะถึงนะ้ำถึงฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลน้ำมันก็ไม่ลดมุกเร็วมันไม่ลดเร็วหรือยิ่งฝนตกต้องตามฤดูกาลนี่น้ำนก็เพิ่มขูนมันก็สามารถเอาน้ำมาจับจ่ายใช้สอย ให้คนในในในเอเรียนนะั้นในบริเวณนะั้นลรือบริวารญาติมิตรทั้งหลายได้กินได้ดื่มได้ใช้กันหลักการบริหารเป็นอย่างนี้ฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมอบทรัพย์ให้ในเวลาันควรเนี่ยแม่ก็ต้องมาพิจารณาอีกทีอีกอีก อ, อย่างนึ่งก็คือว่าเป็นที่ปรึกษาในการหาคู่ครองให้ลูกแม่ร่วงการผ่านวัยมามากก็ย่อมรู้ว่าคนเช่นไรเป็นคนที่ควร ที่ดีหรือไม่ดีแม่ก็จะบอกแต่บอกแล้วลกูกจะเชื่อไม่เชื่อเอาไปวิจัยพิจารณาเ็แล้วก็แต่แม่ต้องทำเนี่ยสรุปมาเบ็ดเสร็จก็คือว่าหน้าที่ของโยมถ้ายมทาหน้าที่จนครบบริบูรณ์พอสมควรอย่างนี้แล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องทุกข์แต่ถ้ามันยังไม่ครบเราก็บอกได้แนะนำได้ใช่วงนี้แล้วก็คุยเขาตรงๆ บอกว่าเออเนี่ยแม่ศึกษาหลักการว่าอะไรหนอเป็นความบกพร่องของแม่แม่จะเพิ่มเติมให้สมบูรณ์อะไรหนอที่ทำดีอยู่แล้วแม่ก็จะทำให้มันดียิ่งๆอันไหนที่ไม่ดีก็จะแก้ไขหน้าที่แม่จะนอนตายตาหลับเมื่อแม่ทำหน้าที่ตัวเองได้ดีที่สุดแม่จะไม่กังวลลูกจะเป็นอย่างไรแต่แม่จะมาดูตนเองว่าเราได้ทำหน้าที่ความเป็นแม่สมบูรณ์แล้วหรือยัง เพราะเราได้อุ้มท้องแม่มีครอบครัวมาเนี่ยแม่อาจจะคิดถูกไม่ถูกในอดีตมันก็ผ่านมาแต่หลักการเนี่ยหลักการของการมีคู่หลักการของการคลองเรือนแม่อยู่กับคุณพ่ออยู่กับพ่อของหนูมาถ้าหลักการที่พระเจ้าบอกจุดหมายการแต่งงานกันคือ คืออะไรอะไรเป็นจุดหมายหลักอะไรเป็นจุดหมายรองจุดหมายหลักคือการที่ได้ได้ปฏิบัติต่อ ก, กันยกตัวอย่างเช่นแม่หรือพ่อเนี่ยก็รู้ความทุกข์ของแม่หนึ่งความทุกข์ของผู้หญิงที่ต้องมาอยู่กับฝ่ายชายทุกจากการที่ ต้องมามาปฏิญญาณกับฝ่ายชายว่าเราจะร่วมแรงร่วมใจกันเดินร่วมกันในการที่จะสร้างฐานะครอบครัวให้เป็นปึกแผ่เป็นต้นก็คือเชื่อมั่นผู้ชายนั้นเป็นความทุกข์ของผู้หญิงถ้าผู้ชายเนี่ยเกิดกระทาการใดๆทําให้ผู้หญิงไม่เชื่อมัน่นก็เป็นความทุกข์ของผู้หญิงกคือความทุกข์ประการที่2ก็คือทุกจากการที่ความเปลี่ยนแปลงในร่างกายต้องไปอยู่ตรงเนี้ าธาตุคือดินน้ำไฟลมในร่างกายของผู้หญิงจะแปรปวนง่ายเพราะภาวะที่จะต้องมีการขับของเสียออกแต่ละเดือดนมากมายนัง น, นั้นผู้หญิงจะมีความเพียความทุกข์ค่อนข้างเยอะผู้ชายก็ต้องรู้จักประการที่สามทุกสการตั้งคั น, นตอนหนูอยู่ในคันในท้องของแม่นี่รู้ไหมว่าแม่กังวลต้องทุกข์ที่ตกกังวลว่า ไหนลูกจะเป็นอันตรายไหมลูกจะเกิดมาสุขภาพแข็งแรงไหมแม่จะกินอะไรจะนอนอยังไงเนี่ยมันมีความกังวลอีกเยอะมากถ้ายิ่งพ่อตอนนั้นไม่คอยดูแลยิ่งทุกข์อ่าและทุกข์จากการคลอดทุกข์จากการต้องเลี้ยงดูต้องอะไรโว้มันเป็นอันนี้เป็นความทุกข์ที่เป็นความวิตกกังวลนี่ไงแต่ผมว่าจริงๆแล้วถามว่าจุดหมายหลักของการมีคู่ครองคองืออะไร คือต้องการอยากจะมีทายาทที่ดีต้องการจะสร้างทายาทที่ดีต้องการจะได้บุตรบริวารญาตินิที่ดีมาอยู่ในชุมชนอยู่ในอยู่ในครอบครัวนั้นนั่นคือจุดหมายหลักในทางพุทธศาสนาที่สอนแม่ไว้สอนพ่อไว้ต้องทำอย่างไรทุกวิธีการที่จะต้องทำให้คนดีมาเกิดต้องทำความดีเมื่อทำความดีให้คนดีมาเกิดแล้วก็ อบรมสั่งสอนแนะนําในสิ่งที่ดีๆเพื่อให้ลูกได้โตขึ้นมาเป็นทรัพยากรหรือเป็นเป็นบุคลากรของสังคมของบ้านนั้นให้เป็นให้บ้านได้ได้บุคลากรที่ดีของบ้านบุคลากรที่ดีของสังคมประเทศชาติทั้งหลา ย, ลยมันหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องฝึกต้องอบรมท่้งสอนี่คือจุดหมายหลักส่วนสุขสมวนาที่เกิดขึ้นจากสัมผัส จากการที่ได้เกี่ยวข้องกันกับระหว่างหญิกับชายอันนี้เป็นจุดหมายรองจุดหมายรองจุดหมายหลักก็คือนี่ไงต้องการสร้างครอบครัวต้องการได้ทายาทที่ดีต้องการอยากจะได้ให้คุณภาพชีวิตที่ดีได้สิ่งที่ดได้จุดหมายที่ดีแล้วก็ได้ทําสิ่งที่ดีๆแล้วก็ทั้งสถ า, านะครอบครัวทั้งหลายเนี่ยให้เป็นปึกแผนวงตระกูลที่ดีทั้งหลายให้เป็นที่นับหน้าถือตาของสภาพสันคนงคมสิ่งแวดล้อไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นจุดหมาย เ, เห็นไหยว่าเมื่อมาวันนี้แม่มารู้ความจริงอย่างนี้แม่ก็ต้องพยายามทาตรงนี้และก็ต้องถ่ายทอดว่าถ้าลูกจะไปมีครอบครัวลูกก็ต้องตั้งจิหมายหลักให้ถูกจิหมายรองให้ถูกว่าอะไรคือจิหมายหลักอะไรคือจิหมายรองอันนี้หน้าที่แม่ต้องบอกแล้วก็ต้ทำทาให้ลูกฉะนั้นแต่ว่าเมื่อทำไปแล้วบอกไปแล้วแนะนาไปแล้วเนี่ยลูกจะ ทำได้หรือไม่ได้แม่ไม่กดดันแม่แม่จะถือว่าแม่ได้บอกได้ไง่าน่อแล้วก็จะค่อยๆบอกนะบอกแต่ก่อนแม่ทุกใจนะลูกไปทํางานลูกลูกลูกไม่ขยันมัน เ, ย, เยียมทุกใจว่าเออเนี่ยต่อไปเนี่ยถ้าแม่ไม่อยู่ลูกจะอยู่ยังไงแต่ลูกไม่ได้คิดอย่างนี้ลูกก็มั่นใจว่าอยู่ได้ ว่าโลสามารถจะอยู่ได้กําลังซัดแค่นี้ก็ได้เนี่ยก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยต้องบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยเวลาถ้าเราจะอยู่เพียงแค่คนเดียวมันก็ได้แต่ถามว่าทําไมทําไมครอบครัวเราตระกูลเราจึงต้องมีบริษัทมีบริวารนี้อยู ปู่ตายายยายพ่อแม่ทำมาจริงๆแล้วเนี่ยเราจะกินแค่คนเดียวมันก็มันก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ทำไมลูกต้องดูมนุษย์ในโลกใบนี้คนที่มีคนเราจริงๆมันมีศักยภาพกันทั้งแทบดังนั้นแต่มนุษย์ไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะฝึกตัวเองให้ได้มีคุณภาพดี ถ้าเราเป็นมนุษย์ที่ฝึกได้ดีมีศักยภาพมีคุณภาพมันจะเป็นประโยชน์แก่คนอื่นมันเป็นกำลังกุศลนะถ้าเราไม่แค่แค่กินแค่คนเดียวเราสามารถทำให้สภาพสังคมสิ่งแวดล้อมเขาได้อยู่ดีมีสุขมันเป็นกำลังทานกุศลนะมันเป็นกำลังศีลกุศลมนเป็นกำลังภาวนากุศลนะเราไม่ใช่แค่คนเดียวเรายังสามารถดูแล บุตรบริวาสญาติมิตรให้เขาได้อิ่มหนำส่ำราให้เขาได้มีความสุขเมื่อเขาได้อิ่มหนำส่ำรามีความสุขมีเงินทองใช้เข้าไปดูแลปู้ตายญาตยยิพ่อแม่ทั้งหลายอันนั้นเนี่ยมันเป็นการให้โอกาสมนุษย์ให้โอกาสคนเพราะเรามีศักยภาพนี้เราจะไม่เคยทาแค่แค่ตัวหรือกินคนเดียวมันไม่มีความสุขมันไม่มีความสุขหรอกเรา เรามีมากแล้วก็เกจจิดเจอจานหรือแบ่งปัปเรามีศักยาภาพมากก็สร้างงานไงให้คนได้มีงานให้คนได้มีเงินให้คนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเขาจะได้สร้างสภาพสังคมที่ดีเกิดขึ้นถ้าจะลาพังแค่แม่แค่พ่อแค่เราเนี่ยแค่นี้เราหยุดอาัน้ก็พอกิน แ, แล้วทําอย่างมีความสุขไงทาแบบการปฏิบัติธรรมในชีวิตจริงไม่ใช่ทาเพียงแค่ว่าไปเครียดไปวิตกกังวลกับมันจนกลายเปนว่าเราเนี่ยไม่ได้ความสุขจากงานเลยงานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขใช่ไหมมันถึงจะมันถึงจะเข้าหลักไม่ใช่งานเงินความสุขฉันทํางานฉันก็ได้เงินเมื่อฉันได้เงินฉันจะมีความสุขอันนี้แปลว่าแย่แล้ว แปลว่าต้องให้เงินเป็นตัวผ่านความสุขที่จะมาเงินมันต้องเป็นจุดหมายรองแต่การทำงานแล้วมันได้ความสุขจากการทำงานความสุขที่เกิดขึ้นจากการงานแล้วผลจากงานที่เกิดขึ้นมันต้องเป็นจุดหมายหลักเงนินมันเป็นผลพลอยฉะนั้นก็บอกว่าแม่ทำก็ว่ า, าลูกจะไม่ทำต่อก็ปเป็นเรื่องของคุณ แต่แม่ทำไว้ถือว่าแม่จะภูมิใจในสิ่งที่ทำแต่ก็อยากจะบอกลูกว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกต้องพัฒนาตัวเองบอกเสร็จนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแม่จะไม่คุยแต่แม่จะบอกเพราะถ้าไม่บอกมันผิดหน้าที่บอกแล้วถ้าลูกมาโกรดแม่ลูกก็ผิดถ้าลูกมาเป็นแม่ลูกก็ต้องถ้าลูกไม่ทำหน้าที่นั่นแหละ ลูกคุเป็นแม่แต่ในขณะที่ลูกไม่ทําหน้าที่ไม่ไม้ความผิดของลูกเนะท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านต่อเอาเลยสิทีนี้ไม่หน้าที่ของลูกไม่ใช่หน้าที่ของแม่เหมือนเนี่ยแม่ต้องทำหน้าที่ในการดูแลพ่อดูแลแม่ท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านทํากิจของท่านเอาเลยสิทีนี้กิจการงานทั้งหลายที่ท่านมีท่านค้างท่านทําไว้อะไรไว้เนี่ยถ้าไม่ทํามันเรื่องของลูกอ่ะลูกผิดนะไม่ทําหน้าที่อ ดำลงวงตระกูลยอมต้องต้องรักษาแม่มีครอบครัวก็ต้องการสร้างวงตระกูลสืบสอดวงตระกูลให้มันอยู่ยาวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามที่ศักยภาพใครเป็นคนทำตระกูลให้ขาดให้ล้มไอ้คนคนนั้นก็ผิดผิดพลาดไปก็ว่ากันไปแต่แม่ก็ต้องทํารักษาไว้ในช่วงในช่วงอายุของแม่ทําตนให้เหมาะสมกับการเป็นทาติที่ดีแล้วก็เมื่อท่านลงรับทํามบุญอุทิศเนี่ย อันนั้นมันหน้าที่ของความเป็นลูกแม่ก็ต้องทําส่วนลูกไม่ทำํำลูกผิดหน้าที่ในนั้นหลักการของมนุษย์มันเป็นวินัยของมนุษย์ที่พึงปฏิบัติต่อกันเป็นแบบนี้หลักการเห็นไหมเราบอกไปเสร็จปุ๊บลูกก็ไปคิดดูลูกจะไม่ทําก็ได้ลูกจะทําก็ได้ลูกจะทําอย่างที่เป็นก็ได้แม่ให้อิสระกลูกนะ แต่แม่บอกบอกหน้าที่ของแม่บอกสิ่งที่ควรทําลูกก็มีหน้าที่ของลูกมีวิ น, นัยมีข้อมีสิ่งที่ลูกควรคึค่งทาทํายังไงจะมีความสุขทํายังไงที่จะฝึกฝนพัฒนานเองแม่ก็ได้บอกที่ผ่านมาแม่อาจจะไม่บอกชัดเพราะแม่ยังศึกษาไม่ถึงแต่ตอนนี้แม่ศึกษาถึงแล้วฟังแล้วแม่ก็มาฟังให้เกิดความเข้าใจแล้วก็บอกเขาเพอบอกเสร็จก็สบายใจพอชัดเจนไวแบบนี้ ถ้าเราบอกงี้เราก็ชัดเจนไม่เห็นต้องไปกังวลในใดเลยแต่ถ้าไม่บอกสิบอกให้ถูกหรือามันนั่งกุมนั่งทุ่งไหนาก็ทำหน้าที่ม่ถูกก็บอกให้ถูกอย่างที่พอจับประเดนนะเ็นได้แต่นะทอบถึงยอมบีได้ไหมแบบนี้กสับให้ไแล้วยงบอกไปเลย นั่นตรงนี้มันเป็นหน้าที่ใช่ไหมอะไรที่มันเป็นเขาเรียกเป็นวินัยวินัยมันเป็นกฎเกณฑ์เป็นกติกาที่เราจะต้องปฏิบัติแม่พึงปฏิบัติต่อลูกลูกพึงปฏิบัติต่อพ่อพึงปฏิบัติต่อลูกลูกพึงปฏิบัติต่อสามีพึงปฏิบัติต่อภรรยาภรรยาพึปฏิบัติต่อสามีหลักการเนี้ยลูกน้องเจ้านายพึงปฏิบัติต่อกันอย่างไรใช่ไหมล่ะเพื่อนต่อเพื่อนปฏิบัติต่อกันอย่งไรอันนี้เป็นวินัยของคราว่ แต่เราไม่เคยเอามาเรียนรู้กันตรงนี้มันก็เลยกระท่อนกระแท่นถูกบ้างผิดบ้างบางทีทําเกินเลยบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดเลยตรงนี้แต่หลักการตรงเนี้เป็นหลักการบริหารครอบครัวเลยบริหารกิจการครอบครัวบริหารบริษัทบริหารห้างร้านทั้งหลายเลยเนี่ยมันเป็นหลักการที่โ่องวางหลักไว้หมดแล้วแต่พวกเรามันเรียนจะไม่ถึงฝึกเออมาศึกษากันไม่ถึงตรงนี้มันก็เลยไม่เอามาใช้ แล้วก็เลยไม่ดูว่าเอ๊ะทาไมเป็นอย่างนี้ที่จริงปัญหาเนี่ยถ้าเราเห็นเห็นไหมว่าจริงๆแล้วปัญหาเหตุของปัญหาจุดหมายที่ต้องแก้ไขปัญหาตรงเนี้ต้องรู้แต่ไม่ใช่เป็นภาคปฏิบัติการภาคปฏิบัติการมาอยู่ข้อสุดท้ายว่าลงมือทก็คือวิธีการที่จะให้ให้เข้าถึงการแก้ไขปัญหาเนะี่ยวิธีการตรงเนี้ย แล้วก็ต้องมาดูว่ากติกากฎเกณฑ์ยังไงความเข้าใจวิธีการสื่อนําเสนอตรงนี้สําคัญที่สุดนําเสนอกับเขาบอกกับเขาคุยกับเขาตรงๆเลยคุยกันแบบไม่หนึ่งวิธีคุยก็ต้องเอาอัคติออกบางคนเนี่ยไปมีชั้นทาคติไปลาเอียงพรักรักเขารักเขารักเขามันก็เลยกลายเป็นว่าไม่กล้าบอกความจริงไม่กล้าบอกเรื่องราวที่ควรบอก บางทีก็เป็นโทษาคติโทษามื่ปิดบังนี่โกรธดูแต่จุดด้อยของเขาอยู่นั่นแหละไอ้จุดเด่นของเขาก็ไม่ดูเนี่ยนะเห็นไหมมองแต่จุดเด่นก็จะกลายเป็นฉันทะคติดูแต่จุดด้อยก็จะกลายเป็นโทษาคติหรือไม่พิจารณาทั้งจุดเด่นจุดด้อยไม่พิจารณาเหตุผลทั้งหลายนี่ก็กลายเป็นโมหคติหลกลัวกลัวเขาโกรธกลัวเขาน้อยใจกลัวเขาอะไรก็แล้วแต่กลัวเชาบ้านรู้กลัวอะไรต่างๆเยอะแยะหมด กลัวเขาไม่รักเราเลยก็เป็นพยาคติไม่ได้ถือหลักการเป็นใหญ่ไม่ได้ถือธรรมะเป็นใหญ่ไม่ถือหลักเกความถูกต้องเป็นใหญ่แล้วบอกเอาลวต่อไปฉันจะขจัดอคติออกก็เธอก็คือกระแสชีวิตหนึ่งที่เรียกว่าลูกอะมนเกี่ยวพันกันแล้วเป็นลูกแล้วฉันก็ต้องทำหน้าที่ฉันจะไม่จะไม่มีจะไม่เพ่งวิฉันทาคติความดีก็ยกย่องจะไม่เอาโทสาัทคติมันเป็นตัวตัดสิน จะไม่เอาโมหะคติจะไม่อยู่แบบไม่พิจารณาจะพิจารณาเหตุผลให้รอบครอบทุกด้านจะรู้ให้ชัดลู้ลึกรู้ให้รอบรู้โดยประการต่างๆไม่ได้แล้วก็จะไม่มีพยาคติจะไม่กลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่กลัวจะบอกทั้งหมดบอกทุกขั้นตอนบอกเท่าที่จะบอกได้รายละเอียดทั้งหมดมีเท่าไหร่จะบอกเมื่อบอกเสร็จแล้วเนี่ยถือว่าฉันได้ปลดเปลื้องภาระกว่าเป็นแม่แล้วโอเคเลยชัดเลยอย่างเงี้ย ก็บอกตามความเป็นจริงเอาเอาธรรมะเป็นใหญ่ไม่เอาบุคคลเป็นใหญ่ก็เอาความถูกต้องดีงานทั้งหลายเป็นตัวตั้งฉันไม่เกรงใจไม่มีผลอะไรต้องเกรงใจเพราะฉันหน้าทำหน้าที่ความเป็นแม่ไม่ต้องไปเกรงใจคนนี้เป็นลูกคนนั้นเป็นสา ม, มีแม่ธรรมะคุณผิด ก, ต, ก, ด ก, กติกากฎเกณฑ์กติกาเชื่อต้องพูด้าไม่พูดใครจะพูดใครก็พูดกับคุณไม่ได้ฉันเป็นแม่จะต้องพูดอย่างนี้ชัดไหม <laughs> อย่างนี้เห็นไหมเรากฎเกณฑ์กติกาเป็นตัวตั้งแล้วไม่ต้องมีไม่ต้องไปมีอะไรเลยก็พูดตรงๆไม่เห็นจะเอาเกงใจ้หนูมันจะโกรธไม่ไม่สนใจอ่ะฉันพูดอย่างนี้เบีเสร็จต่อขอให้เรามีข้อมูลที่ชัดแล้วก็พูดตามข้อมูลกฎเกณฑ์ถ้าไม่พูดมันผิดหน้าที่ล่ะแล้วก็พูดเมื่อพูดไปแล้วหนูจะเป็นอย่างหนูอย่างเดิมก็ได้แต่หนูก็ต้องรับผล ที่เจะตามมาเองนะหรือหนูจะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ได้มนุษย์มันอย่างที่บอกไปแล้วไงว่าฝึกได้มันเป็นกำลังใจต้องฝึกนี่เป็นหน้าที่ใช่เนี่ยถ้าเรามองนี้ก็จะได้เห็นว่าโอ้มันเป็นอย่ังมีพอเห็นนี่ไงเห็นเจ้าพระอาจารย์มีอันนี้ต่ออีกนี่คืงว่าสิ่งที่เราเคยสอนเขาไว้ผิดๆเยอะไม่เป็นไรานี้ วันนี้ยมาคุยกันแล้วกว่าที่จะเจาะประเด็นมาได้ว่าเขาเขาไม่ได้เขายึดอารมณ์ของเราเป็นหลักเช่นเขาอยากเห็นเรามีความสุขมีความสุขเขาอยากเห็นเราไม่กังวลแล้วพอมาเจออันนี้ปั๊บชีวิตเขามันก็ทุกข์เพราะเขายึดตัวอารมณ์ซึ่งมันไม่เที่ยง เราก็จะสอนเขาบอกว่าอย่ายึดอรรารมณ์แต่ลองไม่รู้จะให้เขาทำยังไง<อ>ปฏิบัติกระเด็นเ้าก็คืออย่างนี้ <c oughs> ก็ต้องบอกเขาว่า <c oughs> ลูกมองมาที่แม่เนี่ยลูกอย่าเอาอคติจับ <c oughs> ถ้าลูกมองแต่จุดเด่นจุดดีของแม่ว่าแม่เก่งอย่างนั้นดีอย่างนั้นลูกก็จะมีชันทะกติ มันเอียงมันจะมองไม่ตรงหรือถ้าลูกไปมองแต่สิ่งที่แม่ไม่ดีอ่ะที่ลูกไม่ชอบไงเช่นแม่เป็นคนเครียดแม่เป็นคนอะไรต่างจุกจิกเจ้าจีจ้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวลูกก็จะกลายเป็นโทสะกติอส่วนดีแม่ตั้งเยอะลูกจะไม่มองก็จะกลายเป็นอคติกินนะหรือถ้าลูกแบบว่าแล้วแต่แม่ยังไงก็อย่างนั้นแม่ไม่สนไม่แหล่งต่างไม่พิจารณาไม่ใคร่ควรลูกจะกลายเป็นโมหะกติหลงใช่ไหม หรือแม่ลูกอาจจะ ก, กลัวกลัวแม่ไม่สบายใจกลัวแม่อะไรต่างๆก็จะเป็นพยาคติลูกขจัดออกใช้ปัญญาพิจรารณาพิจารณาตามความเป็นจริงว่าเอาอะไรเป็นตัววัดเอาธรรมะไนงะเอาความจริงไนงะทีถ้าหากว่าเรายังรู้ความจริงไม่พอใช่ไหมรู้ความจริงไม่พอต้องศึกษาอะไรตรงเนี้ยความจริงมันไม่สามารถจะโผไม่ได้เองหรอก ลูกก็ต้องศึกสาว่าอะไรมันคือความจริงอะไรมันคือความเห็นอะไรมันเป็นความรู้แยกให้ออกความจริงก็คือความรู้มันคนละความความเห็นก็คือความเห็นเช่นลูกเห็นว่าฉันจะทำยังไงก็ได้เพราะฉันเป็นลูกแม่ฉันจะไปทำงานสายก็ได้กลับก่อนก็ได้อันนี้เป็นความเห็นนะถ้าทำอย่างนี้กติกา บริษัทกติกาบ้านมันมันล้วนต้องเอากติกาเป็นตัวจับถ้าอย่างเงี้ยเขาไล่ออกหรือข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมามาเลี้ยงพนักงานอย่างนี้หรืออย่างเงี้ยแล้วเวลาทํางานเขาไม่เอาตัวเอาเอ า, เอาลูกเมื่อเป็นตัววดัดเราท่านพังหมดบริษัทอยู่ไม่ได้อันนี้คือความจริงนี่คือธรรมะอย่าเอาความเห็นเป็นตัวตัดสินเอาความรู้เป็นตัวตัดสินแยกมันออก งานคืองานอะไรก็คือนั่นก็ต้องถ้าเรามนุษย์เราเนี่ยมันต้องมีกติกากันเมื่อตั้งกติกากันแล้วถ้ากติกานั้นมันมันมันไม่เวิร์กหรือโอเคก็มาคุยกันใช่ไหมแต่มันจะไปเว้นเฉพาะคนนี้มันไม่ได้ถ้างั้นมันจะปกครองกันยังไงเนี่ยมันจะปกครองกันยังไงมันก็เสียหมดเลยกฎเกณฑอย่างเงี้ย แม่ก็ขี้เกียจนะแม่ก็ไม่อยากทําแม่ก็อยากจะตื่นสายแม่ก็ไม่อยากทํางานเหมือนกันนะมันก็ไม่ต่างอะไรกันหรอกแต่ทําไมต้องฝืนทำไมต้อ ง, ง, ไ, ง, องไปทํางานก็เพราะเอกติกาที่ตั้งกันไว้นี่แหละเพราะงั้นเธอสมัยหนูอจะสมัยที่เลี้ยงหนูเนี่ยแม่ก็ไม่อยากจะตื่นขึ้นมาตอนหนูร้องถ่ายเจละปัสสาวะเนี่ <S <S มันเป็นสิทธิของแม่เลยนะแต่บางทีหือ ก็ความรักนี่แหละบางทีก็ต้องไปจิตที่ส่วนตัวก็ต้องทิ้งไปความสุขส่วนตัวที่พึ่งได้ก็ต้องทิ้งไปเพื่อหวังให้ลูกได้รับความสุขให้ลูกปลอดภัยให้ลูกได้รับความสวัสดีเนี่ยแม่ต้องยังทํามาขนาดนั้นเลยทำไมหนูไม่คิดบ้างตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมว่าจริงๆตรงเนี้ยทั้งหมดเหล่าเนี้ยบางทีเมื่ออยู่กันมาพอลูกโตพอหนูโตขึ้นมา หนูมีโลกส่วนตัวเต็มไปหมดถ้าตอนหนูเล็กๆเนี่ยถ้าแม่จะยึดถือโลกส่วนตัวของแม่บ้างเนี่ยหนูตายเลยเนี่ยไม่รอดนลเนี่ยเออตอนนี้ทําไมหนูไม่คิดอย่างนั้นบ้างอะ่ะทําไมหนูรูปมีโลกส่วนตัวของหนูเยอะเหลือเกินใช่ไหมก็เปิดออกมาสิใช่ไหมทำไมจะต้องมีพรมแดนด้วยต้องมีพรมแดนด้วย ท่านตรงนี้ถ้าหากว่าอย่างเงี้ยเราก็ต้องบอกความจริงความรู้เขาใช่ไหมอันแต่ก่อนตอนนั้นน่ะแม่ให้ความเห็นมันไม่ถูกยังไงเราก็บอกเขาโอ้นี่เป็นความเห็นแต่ความจริงมันเป็นอย่างเงี้ยแต่ความความรู้มันเป็นอย่างเงี้แล้วก็บอกความรู้ครับความรู้ความรู้มันก็คือความรู้อะเมื่อไหรเมื่อไหรมันก็คือความจริงใช่ไหมแต่ความเห็นมันก็คือความเห็นถ้าความเห็นไปปะทะกับความรู้ปะทะกับความจริงที่ไม่ความเห็นมันก็แพ้ทุกที ใช่ไหมลนะ่ะก็ต้องยอมรับเนี่ยตรงนั้นนีไยก็เหมือนไงเหมือนเนี่ยแม่เห็นว่าหนูควรจะเป็นอย่างนี้แต่ความจริงหนูเป็นอย่างนี้เห็นไหมนี่แม่ก็ทุกทีนี้กติกาที่วางอย่างนี้หนูไปเห็นว่าหนูไม่อยากทำเนี่ยความเห็นของหนูก็ไปขัดแยง้ง ก, กับกติกากขกเกณฑ์ที่ตั้งกันไว้กับความจริงที่ตั้งกันไว้หนูก็ผิดตรงนั้นอีกทีนั้นมันก็มันก็มันก็กระทบกันเป็นลูกโซ่แบบนี้แหละพอมองเห็นไหม ใช่ไหเออตรงนี้ก็ไปแกะมุมถ้าไปพูดอย่างเงี้ยหนักเข้าหนัเข้าเขาก็จะเริ่มอ๋อสิ่งที่มันควรแก้ไขคืออะไ ร, รทั้งหมดเหล่าเนี้ยเมื่อเราบอกไปก็ค่อยๆบอกไปเรื่อยๆหนเข้ า, ขาหนขาเข้าก็จะเราเริ่มรู้ว่าถ้าเขาบอกแล้วแต่ก่อนทําไมแม่ไม่บอกเด็กแม่ไม่รู้ก็อตอนนั้นรู้ไม่พอ ใช่มันมันรู้แค่นั้นก็ต้องบอกแค่นั้นเป็นเรื่องทุกคนเหมือนเรารู้ทางเน่ะเรารู้ไปได้แค่ตรงเนี้ยที่เหลือนั้นเราคำนวณไงแต่เรายังไม่รู้จริงไงเราคำนวณแต่มันคำนวณอาจจะไม่ตรงก็ได้แต่ตอนนี้พอมารู้จริงแล้วก็ต้องบอกใหม่มันไม่เห็นเป็นไรโอ้ตอนนั้นโอเคบอกผิดไปเดี๋ยวเดี๋ยนี้ความจริงเป็นก็อบอกเขาแกเขาก็โอเคเขาจะได้ไม่ยึด พอชัดเจนไดมใช่